นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพอนอบน้อมแด่พระผู้ม <lerde strong> ีพระภาคอาหารย์ตัสสะมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย